มันไม่งามยังไงก็พยายามจะปกปิดกลบทกลื่อนจนงามจนได้จนเคำว่าเมาให้มันเต็มที่ที่จะเมาได้ก็สุดยอดเท่าเท่าที่จะทําได้นะะหวังว่าสักวันหนึ่งมันต้องดีกว่านี้จะต้องงามกว่านี้จะต้องคิดให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปชาตินี้ไม่งามช่งมันชาติหน้าต้องงามกว่านี้แต่มันก็คิดไวแต่ว่าอย่างนี้ซะส่วนใหญ่การคิดแบบนี้แหละคือข้อปฏิบัติเพื่อสร้างวัตถะนีะนะเพื่อสร้างกองทุกต่อไปเพราะนั้นโดยมากทั่วๆไปเขาเรียกว่าไม่มีสติ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 เพราะพื้นฐานปกติของมันก็คือสิ่งที่มีชาติชรามรณะอยู่แล้วอันนี้คือปกติของรูปประคันรูปประคันจะเมื่อไร่ที่ไหนอย่างไรก็ชาติชราและมรณะแต่สําหรับผู้หลงเพลิดเพลินเพลิดเพลินจะด้วยอะไรก็ช่างเถอะความเพลิดเพลินอ น, นั้นคืออาหารที่อร่อยหรือปุ๋ยของโสกกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตปุ๋ยแห่งสังสารวัฏปุ๋ยแห่งสังสารทุกขที่นี้ การศึกษาพระธรรมเนี่ยนะเราต้องพยายามก็ทวนอีกครั้งหนึ่งว่าธรรมังสารนังคัดฉามิเนี่ยนะคำนี้เราต้องจำให้แม่นให้ดีๆเราจะคิดอย่างไรเราจะคิดว่ารูปประคันงามไม่งามก็ช่างเราเถอะเรื่องของเราจงยกไว้ก่อนแต่ว่าคำสอนว่าไว้อย่างไรแล้วเราจะคิดตามคำสอนได้อย่างไรตรงนั้นต่างหากเป็นข้อปฏิบัต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 วันโศกะปริ เ, เทวะทุกขโทมนัปและอุปาญาตวันวิปโยควันมหาทุกเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้อยู่ชาติเดียวนะไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วเราก็ยอมรับแล้วว่าวิาวธีการคิดของเราวิธีการเจริญของเราโดยที่เราตามเพลิดเพลินในรูปประคันเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยนอกจากเพิ่มน้ําตาเท่ากับน้ําทะเลมหาสมุทรมากจากเพิ่มการดื่มดื่มน้ํานมเท่ากับน้ําทะเลมหาสมุทร มากกว่าศูนเสียเลือดมากกว่าทะเลหมาหาสมุทรกระดูกที่กองทับถมอยู่ในโลกเนี่ยนะเพิ่มพูนปฏิปีที่เป็นตาช้ามากกว่าเขาเวปุระบรรพศ ต, ตอกกลับหนึ่งเราก็รู้แล้วว่าเป็นความคิดที่เป็นไปเพื่อสร้างทุกข์จุดจบของความเพลิดเพลินในรูปประคันก็คือวัตุทุกสังสารทุกอบายทุกขติวินิบนะัตนรกทั้งมวลเหล่านั้นก็เกิดจากการตามเพลิดเพลินรูปประคัน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 โอ้ยมันก็ไม่เรียกอาหารแล้วเปลี่ยนสภาพไปตั้งนานแล้วฉั้นใดก็ดีความเพลิดเพลินเหล่านั้นก็เหมือนกันพระองค์ตรัสว่าโกอะไรนะความรักเนี่ยนะชันธราคะเนี่ยมีโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตเป็นผลนั่นเป็นผลแห่งฉันธราคะนั่นเป็นผลแห่งความรักนั่นเป็นผลแห่งความเพลิดเพลินนั้นถ้าเพลิดเพลินเท่าใดก็ต้องจ่ายด้วยโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาต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 พระก็ป่วยเหมือนกันเดี๋ยวพระก็ตายเป็นนะเนีจะว่าแต่โยมป่วยตายเลยหลังนั้นพระป่วยพระตายเหมือนกันทั้งนั้นก็ที่หมอก็ยังตายเลยหมอก็ป่วยหมอกตายเนี่ยนะแล้วใครจะไม่ตายบ้างเพราะศาตร์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีเมื่อชีวิตเนี่ยนะเริ่มต้นเนี่ยมีมีเป็นที่ประชมแห่งมหาพูดมีบิดามารดาเป็นแดนเกิด จเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดก็คือด้วยอาหารการเป็นอยู่รวมทั้งยุกยาเป็นต้นเลี้ยงดูอยู่อย่างนี้เนี่ยนะถามว่าชีวิตแห่งความเป็นไปเนี่ยชีวิตดํารงอยู่ด้วยอะไรรูปประคันเหล่านี้ดํารงอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยอาหารอนนะเพราะอาหารเกิดรูปเหล่านี้จึงเกิดขึ้นแต่รูปเหล่านี้ที่แปรสภาพอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกอนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นตัวที่ทําให้อัตภาพคือภูตรูปเหล่านี้อยู่ได้ ชีวิตนี้ขาดลมหายใจได้นานเท่าไหร่ห้านาทีนี่แย่เลยนะห้านาทีนี่สมองเรียบร้อยแล้วหมดสภาพแล้วสามนาทีนะเอาเพิ่มห้านาทีแล้วให้มันเต็มที่แล้วก่อนว่าไม่รอดแน่ขาดลมหายใจสามนาทีห้านาทีนี่ก็เรียบร้อยแล้วเกิดตั้งนานแล้วเหมือแบบนกันนะเกิดตั้งหลายขณะจิตเรียบร้อยแล้วเพราะชีวิตนี้อยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกมันลมหายใจเข้าออกนั้นอะ อานาปานสติกรรมฐานในกายานุปัสสนาพระพุทธเจ้าจึงแสดงเป็นเบื้องต้นอานาปานสติที่แสดงในกายานุปัสสนาเป็นเบื้องต้นก็เพราะเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ด้วยอานาปานสตินี่เหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่ที่สองต่อไปก็คือชีวิตนี้มันเนื่องด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกไปอยู่ที่ไหนที่สิ่งที่เราไม่ลืมเลยก็คือลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะ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 คนที่อยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งเกินไปอายุสัน้นนะเกินไปนั่งเกินไปก็อายุสัน้นนอนเกินไปก็อายุสัน้นถึงไม่สัน้นก็ยาวก็ยาวแบบไม่มีสภาพแล้วนะเรียกว่าแทบไม่มีสภาพแห่งความเป็นอะไรเลยนะทีนี้เนื่องจากชีวิตเนี่ยเนื่องจากอิริยาบถใช่ไหมเป็นไปด้วยอิริยาบทยืนเดินนั่งเละ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 ลำบากแลวนะทีนี้อเ น, นะฟันเนื้อถ้าเนื้อนี่งองไงมีปัญหากล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้อทุกส่วนมีปัญหาหมดเอนมีปัญหากระดูกมีปัญหาเยื่อในกระดูกมีปัญหาตับไตไส้ปอดเป็นต้นพวกนี้ถ้าเริ่มดินเหล่านี้มีปัญหาเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะอั น, นะันี่มนุาได้แล้ว <c oughs> นี้ต่อไปอนะถ้าธาตุน้ำมีปัญหาเช่น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 พระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อก้าวล่วงโศกะปริเทวเพื่อดับทุกข์และโทมนัดเพื่อทำอริยมรรคเพื่อเจริญอริยมรรคเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งอันนะั้นอันนั้นคือการถ้าเราคิดตามพระพุทธเจ้าเราต้องมาชีวิตจริงเราต้องมาสังเกตใส่ใจเลยว่าถ้าคิดแบบพระพุทธเจ้าดีอย่างไรถ้าคิดแบบเรานี่เสียหายตรงไหนถ้าแยกแยะอย่างนี้ได้เรียกว่าคนมีสติกนะ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 เลี้ยงดูขันห้ายิ sure. ่งเลี้ยงดูยิ่งเดือดร้อนนะตอนแรกก็ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเลี้ยงดูก็ไม่ได้สูงเท่าตอนหลังอ่ะตอนหลังยิ่งยิ่งเลี้ยงยิ่งสูงเหมือนกันแต่ยิ่งเลี้ยงยิ่งเดือดร้อนเนี่ยนะเพราะขันห้าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นภาระนะท่านบอกว่าภาระฮะเวปันจากขันทาเนี่ยนะขันห้ามเป็นภาระเน้อภาระแปลว่าของหนักแบกดูเถอะคนละห้าหกเจ็ดสิบกิโลเนี่ยนะอแบกขึ้นแบกลงแบกเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยนะโอ้ย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 เหมือนกับว่าพึ่งละเหมือนกับว่าพึ่งตายว่างั้นนักดองศพทั้งหลายก็บอกว่าแม้ไฝฝันเหลือเกินว่าอยากจะฝากผลงานแบบนี้ไว้สักชิ้นหนึ่งอันนให้คนตายอยู่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเป็นความใฝ่ฝันของการเรียนรู้ทั้งหมดเพื่อเพื่อให้เห็นความเป็นให้ดูศพเนี่ยงามที่สุดเท่าที่จะงามได้แสดงว่าวิชานี้ไม่ได้ส่งเสริมอะไรส่งเสริมมิปรารถ์อย่างเดียวเพราะว่าแม้แต่ศพก็ยังให้ดูดีดูงามแล้วก็งาม ตลอดไปเนี่ยนะก็สนใจอยู่แค่นั้นนะ่ะแม้กระทั่งเรียนเรื่องโลกพิวนางเรื่องอะไรทั้งหลายแหละก็เพื่อเพื่อส่งเสริมวิปัสสอาวิชาชีพเราก็ยอมรับนลยนะว่า เ, ออเป็นการเลี้ยงชีพเป็นอะไรไปแต่โดยพื้นฐานทัศนคติจริงๆก็เพื่อส่งเสริมวิปาสเ น, นะเมื่อส่งเสริมวิปราสแล้วถามว่าจบลงที่ไหนก็ชาติชารามรณะโศกปริเทวะ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 พิจารณาการปฏิบัติเพเื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความสลัดคืนในปฐวีธาตุเพราะรู้ว่าติดข้องในปฐวีธาตุคือติดข้องในกองทุกข์ติดข้องในอาโปธาตุคือติดข้องในกองทุกติดข้องในเตโชธาตุคือติดข้องในกองทุกใช้คําว่ากองเลยนะไม่ใช่ทุกเดียวแสดงว่ามีเยอะมีท่วมทับไปหมดเลยเนะติดข้องในวายโยธาตุก็คือติดข้องในกองทุกข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 เยอะมากแล้วเหตุเกิดของกายเหล่าน <spe> ี้คืออะไรอะไรเป็นเหตุเกิดอวิชชาเกิดกายเหล่านี้จึงเกิดเพราะตันหาเกิดกายเหล่านี้จึงเกิดเพราะกรรมเกิดเนี่ยนะกรรมนี่แหละที่แต่งให้แต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันรูปกายที่แตกต่างกันก็เพราะกรรมนั่นแหละเกิดแล้วก็เพราะอาหารเกิดรูปกายเหล่านี้เกิดแล้วก็อาศัยกรรมอาหารแลอาศัยอวิชชาตันหากรรมและอาหารแล้วก็กายเอ่อกายเหล่านี้ก็เจริญเติบโตขึ้นมาโดย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 ตอนฟังเราบอกโุ้ยแต่ตอนเวลาอาหารดูเธอะนี่ชวนใจมากเลยนะถ้ายิ่งแบบอาหารที่โปรตีนมากที่สุดเนี่ยกาเลยยั่วยวนชวนให้แหมทําใจไม่ได้เลยนะรักษาอุโบสถไม่ได้ก็เพราะเหตุ น, นี้แล้วอย่างเง้ย น, นะถึงรักษาอุโบสถแหมต้องรี บ, บตักตูนไว้ให้เต็มที่เลยอย่างไงนะเพราะเดี๋ยวตอนเย็นจะเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นที่เพลดิดเพลิน เ, เป็นที่ติดใจเป็นที่ติดข้องในในรูปเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าอสสาธฆของรูป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 ปากโรคทางช่องปากโรคศีรษะโรคคอโรคไล่ไปเะตรงไหนไม่มีโรคบ้างมีผู้ถามบอกว่าแล้วขนตาเป็นโรคได้ไหมเป็นนะนะไม่ต้องพูดถึงที่ไหนที่มันไม่เป็นมาเป็นโรคได้หมดเลยโรคาโตหนังสือเล่มหนึ่งก็บอกว่าเด็กคลอดมาแว่มีโรคติดตัวมาพันแปดร้อยโรคนี่ะพันแปดร้อยโรคที่ติดมาจากแม่แล้วก็โรคไออย่างอื่นรอบๆตัวอีกต่างหากน่นะ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 ตั่วหายใจเข้าหายใจออกในคนในโลกไม่ใช่ตายน้อยนอยนะท่านเราขยับตัวก็มีคนตายเยอะแยะไปหมดเลยนะนะตายตลอดแล้วว่าตายจุติปฏิสนธิจุติปฏิสนธิเพรออาะอวิชชาตันหากรรมในรูปอวิชชาเนี่ยคืออะไรก็คือไม่รู้เหตุเกิดความดับอสสาศะทาอาทีนวะนิสระของรูปเรียกว่าอาวิชชาความเพลิดเพลินในรูปเรียกว่าตันหา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 เมื่อกล่าวสติปฐานอันใดสัมมปทานก็ชื่อว่ากล่าวแล้วอิทิบาทก็ชื่อว่ากล่าวแล้วอินทรีย์พละโทษชงองค์มัชก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเพราะถ้าไม่มีโพธิปัจจะธรรมเนี่ยนะครบถ้วนเอาอะไรนําออกจากรูปได้เออถ้าไม่มีคุณธรรมคือโพธิปัจจะธรรมอย่างสมบูรณ์ตรงนี้ยกสติปทานขึ้นมาเป็นตัวอย่างถ้ายกสติปฐานขึ้นมาเป็นตัวอย่างปั๊บเนี่ยองคมัช อันนั้นแหละเป็นนิยานี่กระทำเป็นธรรมที่นําออกจากรูปถ้าไม่มีโพธิปักขยธรรมอย่างเต็มเปี่ยมแล้วออกจากรูปออกกันได้ไหมเหมือนอย่างว่าไอความติดใจในรูปเนี่ยมันแหมมันร้อนแรงมากมันยิ่งกว่านี้สินอีกนะนี่สินเนี่ยแหมยังพอจ่ายคืนยังพออะไรกันได้ น, นะะแต่ว่าคนที่จะจ่ายนี่ศินแม้กระทั่งติดล้องเนี่ยนะอย่างติดนี้ในโลกเนี่ยเอาพูดแบบโลกโลกเลยนะคนติดนี้ก็ติดนี่เรื่องอะไรก็เกี่ยวกับเรื่องรูปทั้งนั้นแหละ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 เรียกว่าไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นว่าตามเห็นโดยความไม่เที่ยงตัวปัญญาที่ตามเห็นนั่นแหละคือนิยานิกระรทัมทำที่นําออกจากทุกข์อันนะั้ข้อปฏิบัติที่นําออกจากทุกข์ถ้าเราติดตาเนี่ยนะสมมติว่าตามเห็นรูปโดยความเป็นของเที่ยงความเห็นอันนั้นนําไปไหนนําไปสู่กองทุกข์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 พระธาตจากของที่เราชอบที่สุดก็คือพระธาตจากอะไรก็พระาตจากรูปปราถนาแล้วไม่ค่อยสมหวังทักทีก็ปราถนาอะไรก็ปราถนารูปโอ้ยติดข้องในรูปมากมายขนาดนี้นะแสดงว่าถูกรูปครอบงำแล้วตกอยู่ใต้อํานาจแห่งรูปแล้วเนี่ยนะก็คิดจะปฏิวัติบ้างเลยเนี่ยคิดจะปฏิวัติแล้วคิดจะก่อการกรบฏแล้วช่นะกบฏรูปแล้วมันะไม่พักลีต่อรูปแล้ว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 แล้วพระพุทธเจ้าปกติสมัยพระองค์มีพระชนอยู่พระองค์สอนว่ายังไง ร, รูปไม่เที่ยงแต่โดยพื้นฐานจริงๆเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยถ้าเราเราจะคิดตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องยอมรับโดยสามัญญสํานึกโดยโดยสัญญาของเราแบบเข้าใจแท้ๆเลยว่าเมื่อเห็นรูปปั๊บชาติชรามรณะโสกาปริเทวทุกโทมนัตและอุปายาสัมประโยชนาทุกวิประโยคทุกยะปรานาไม่สมหวังก็คือทุก แล้วก็ต้องยอมรับสภาพแบบนี้โดยสามัญญาสานึกแท้จริงว่าเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆถามว่าเราพร้อมจะคิดแบบนี้ไห ม, พ ร, มพร้อมที่จะมีสามัญญาสานึกจริงๆแบบนี้ไหมแต่จริงๆแล้วลึกๆจริงๆเราไม่มีสามัญญาสํานึกอันนี้นะเอ้าจริงๆนะจริงๆสามัญญาสํานึกที่แท้จริงเราไม่คิดความเกิดก็เป็นทุกความแ ก, กม่ก็เป็นทุกความตายก็เป็นทุกดูจากอะไรไหยโอ้ดูเด็กน่ารักดีดูเด็กน่ารักดีเลยคิดนึกเออ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 เมื่อใดที่จะมั่นคงเห็นว่าความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นความเกิดแห่งกองทุกข์ถ้าความดับแห่งรูปเป็นความดับแห่งกองทุกข์เนี่ยนะเห็นผู้ใดตามเพลิดเพลินรูปผู้นั้นห่างนิพพานผู้ใดตามเบื่อหน่ายเนีคลายกำหนดในรูปก็เป็นผู้ที่ใกล้นิพพานพนั้นจริงๆตัวปฏิบัติตกลองคืออะไรกันแน่ตัวความเข้าใจตัวนี้นะคือตัวปฏิบัติความเข้าใจใช่ไหมเป็นตัวปฏิบัติ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 พอไหมที่จะออกจากกองทุกข์แล้วก็มาตั้งคําถามแล้วแค่ไหนอันนั้นเขาเรียกว่าเจริญความเข้าใจอันนี้จากปริตะเป็นมหคตะจากมหคตะเป็นอัปปะมาณนะจึงจะออกจากกองทุกข์ได้อันนั้นก็สัมมาทิฏฐิอันนี้จะต้องบริบูรณ์และเพียงพอแต่ว่าในบรรณามัชยเนี่ยนะมันไม่สามารถเจริญองค์ใดองค์หนึ่งโดยทิ้งองค์อื่นๆได้หรอกเนี่ยนะแล้ก็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 พระผู้พุทธเจ้าไปที่ไหนก็ไปสอนไปสอนคนให้เกิดความเข้าใจใช่ไหมท่านแสดงว่าเป็นศาสนาของความรู้และความเข้าใจพระที่สู่ทั้งหลายที่ไปปฏิบัติไปลีกไปเร้นไปอยู่ตามป่าตามเขาเอะนะไปสู่ที่แจ้งไปสู่โคนไม้เรือนว่างเนี่ย น, นยะอรัญญคตวารุคมูลคตวาสุญญาคตวานี่ยสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เพื่อเจริญอะไ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 สิ่งเหล่านี้คือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมณตและอุปายาตชาติก็คือชาติธรรมโตใช่ไหมเอาวโตตทั้งหลายเนี่ยชาติธรรมโตชราติธรรมโตพยาธิธรรมโตมรณะธรรมโตโสกะธรรมโตอุปายาสะธรรมโตเป็นต้นนะทุกขโตเนี่ยนะก็คือพวกอะไรนะพวกไอ้ไอ้สัมมาสัญาเนี่ยแหละพันจนกว่าจะสร้างสามัญญสํานึกอันนี้ จนกว่าความคิดของเราเมื่ อ, อไหรก็เป็นความเข้าใจแบบนี้ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนทัศนคติไม่เปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเอางี้ดีกว่าถ้าถามว่าถ้าไปให้พระโสดาบันเปลี่ยนความเห็นจากอริยสัจนี่เปลี่ยนได้ไหมไม่ได้เอาละของเราเนี่พร้อมไม่ที่จะไม่เปลี่ยนจากความรู้ในเรื่องอริยสัจทีนี้ถามว่าถ้าเราพร้อมจะเป็นแบบนั้นแล้วเราพ่อกพูนความความรู้ความเห็นที่อนุวัดสอดคลอ้องต่อการเห็นอริยสัจ แค่ไหนเราฝักใฝ่แค่ไหนหรือว่าขอนั่งซึมซึมง่วงงวงอยู่ทุกวันต่อไปถ้างั้นก็ <ت ص في ق> ต่างไทยก็ทางไทยอะไรนะเอาไว้เจริญเมื่อวานว่าไงนะี่เจริญสัมมาทิฏฐิใช่ไหยกามสกุลมหิกรรมทายาโทกร ม, มโยน ن ي กรมาพันธุ์เอาเราก็มาด้วยกรรมของเรานะเราก็จะไปตามกรรมของเราเนี่ยนะเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพัมีกรรมเป็นทีน่พึ่ง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 โทมนัตเนี่ยนะอาสรุปกลับมาย้อนกลับมาว่าเมื่อเรามีความเข้าใจเนี่ยนะพิจารณาโดยสา ม, มัญย์สานึกตามเห็นว่ารูปไม่เที่ยงเห็ุตามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกตามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงและเป็นทุกนั่นแหละว่าเป็นอนัตตาปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดเนี่ยนะก็คิดบอกเมื่อไรนะจะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในตาเมือ่อใดนะจะปฏิบัติจนเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในหูในจมูกในลิ้นในกายและ ใจทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อใดนะจะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกําหนัดในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเมื่อใดนะจะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกําหนัดในรูปที่เป็นเหตุให้ปฏิสนธิใ น, ในโรคเปรตอสุรกายและเดรฉ า, านเราต้องต้องเจริญเมตตาให้ตัวเองเหมือนกันนะเจริญเมตตาให้เพื่อเพิ่มมุ่งเพิ่ ม, พ, ม, พ, มพูนคุณธรรมพันการปฏิบัติธรรมนั้นจึงไม่ใช่แบบอะไรนะซื่อๆเขาๆไม่ใช่แน่นอน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 ปัจจัยภาษานั้นมีวัตถุและอารมณ์เป็นต้นกระทบกันจึงมีภาษะนั้นรูปจึงเป็นที่เป็นวัตถุและเป็นอารมณ์ของเวทนาเป็นวัตถุที่เกิดของเวทนาเป็นอารมณ์ของเวทนาเมื่อตามเห็นรูปโดยอสุภะโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์แล้วจะเห็นว่าเวทนาที่เกิดจากรูปเหล่านี้เป็นสุขได้ไหม ก็ตามเห็นเวทนาเหล่านี้เนี่ยนะเวทนาที่เกิดจากรูปที่เป็นอสุภะเนี่จะสุขได้ไหมก็สุขไม่ได้ก็ตามเห็นเวทนาทั้งปวงทุกเวทนาทั้งสุขเวทนาทุกเวทนาและทุกเวทนาอุเบคาเวทนาว่าเป็นทุกคือประชุมรวมลงที่กองทุกเห็นเห็นทุกเวทนาว่าเป็นทุกกระทุกเห็นสุขเวทนาว่าเป็น วิปริณามทุกเห็นอุเบกขาเวทนาว่าเป็นสังขาระทุกพันเวทนาทั้งปวงปลว้นแต่ประชุมลงอยู่ที่ความเป็นทุกนี่นก็มาแบ่งว่าสุขเวทนาก็มีสองสุขแบบจิตเป็นไปกับคำสอนกับไม่เป็นไปตามคำสอนทุกแบบเป็นไปกับคำสอนแบบไม่เป็นไปกับคำสอนอุเบกขาแบบเป็นไปกับคำสอนกับไม่เป็นไปตามคำสอนถ้าสุขเป็นไปกับคาสอนเรียกว่าเนคขมะ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 แต่ถ้าเป็นไปตามคําสอนเป็นไปตามการเจริญกุศลธรรมก็ไม่เป็นไปตามวัตถุกรรมและกิเลสกรรมทั้งหลายแล้วก็มาเจริญคุณธรรมเหล่านี้เราก็แยกแยะว่าความรู้สึกทั้งปวงล้วนแต่อาศัยรูปเมื่อตามเห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงจะเห็นเวทนาว่าเที่ยงมาจากไหนสมนวนว่าถ้ามีกลองผุผุไม้ตีกลองหักหักเปื่อยๆเนี่ยนะแล้วตีกลองแล้วเสียงกลองที่เกิดจากไม้ตีกลอง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 ความถ้ารูปไม่ยั่งยืนแล้วความทุกข์ที่เกิดจากรูปจากยั่งยืนไหมรูปไม่ยั่งยืนเวทนาที่เกิดจากรูปจากยั่งยืนไหมเพราะนั้นตามเห็นรูปไม่เที่ยงจึงตามเห็นเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ยากไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงนี่มันมันอยู่ด้วยความสุขหรือความทุกข์กันแน่ถึงจะสุขก็จริงอยู่แต่แม้มหาบริขารเยอะเหลือเกินกว่าจะได้รับความสุขเหล่านั้นสมมติจะมีความสุขสักเรื่องหนึ่งขึ้นมาใช่ไหม แต่งรูปขนาดไหนจึงจะได้ความสุขขนาดนั้นใช่หบางทีเนี่ยนะบางคนแม้ต้องการความสุ <ME DI ES> สขที่เกิดจากการทานอาหารอร่ อ, รอยๆจะต้องแต่งรูปขนาดไหนจึงจะได้ความสุขที่ได้จากอาห า, ารอร่อยเนี่ยนะถ้าจะมีคว <ME DI ES> ามสุขจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องแต่งวัตถุขนาดไหนจึงจะได้ความสุขขนาดนั้นพันถือว่าความความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนาทุกเวทนานั้นจึงประชมลงที่ กองทุกผู้ที่เจริญเวทนานุปัสสนสติปัฏฐานจะไม่เผลอว่าเวทนาเป็นสุขไม่เผลอคืออย่างสมมติว่าโอ้ร่างกายของเรานี่สบายไม่เห็นปวดไม่เห็นเมื่อยถามว่ามันปวดเมื่อยมันเกิดที่ไหนไอเกิดที่รูปไกายอันอันเดิมนั่นแหละเดี๋ยวมันก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขเดี๋ยวเป็นที่ตั้งแห่งทุกเนี่ยนะอย่างใครๆคปวดศีรษะมั่งไงตอนที่ศีรษะมันไม่ปวดละ่ะแล้วปวดมันปวดที่ไหน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 ก็แหล่งเดียวกันคือที่ฟันถ้าเมื่อยคอเมื่อยต้นคออยู่ที่ไหน <of> แหล่งก็อยู่ที่คอนั่นแหละถ้าเมื่อยหลังอ่ง ะ, ะ, ะก็อยู่ที่หลังแล้วสบายอ่ะก็อยู่ที่หลังเพราะฉะนั้นอย่าไปเผลอก็แล้วกันว่ามันสุกแต่โดยทั่วๆไปจะเผลอพอทุกข์ก็หวังเมื่อไหร่นะเมื <acord> ่อ <es> ก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้ไปบ่นให้หมอฟังนะ <zhou> ไม่เป็นอย่างนี้เลยนะอเมื่อก่อนมันดีกว่านี้เยอะใช่แล้วเนี่ยนะต่อไปมันจะเป็นหนักกว่านี้อีกอย่างนั้นเลยนะแบบหมอพูดอย่างนั้นแทบปิดคลินิกเลยนะ หมอเขาไม่พูดอย่างนั้นแต่ว่าแต่ถ้าพูดให้ตรงๆเราบอกวันนี้นะมันดีคนก่อนนั้นหนักกว่านี้อีกเนี่ยนะต่อไปคุณจะเป็นหนักกว่านี้ไปเรื่อยๆมันไม่มีดีขึ้นหรอกเนี่ยนะถ้าว่าตามเป็นจริงแล้วเป็นอย่างนี้นมีแต่ทุกข์ในที่สุดก็บอกว่าถ้ายุ่งมากนะคิดตรงไหนมันก็ทุกตรงนั้นเชื่อะคิดถึงหัวก็ปวดหัวคิดถึงคอก็เมื่อยคอคิดถึงตาก็ปวดตาคิดถึงจมูกก็ปวดจมูกคิดถึงฟันก็ปวดฟัน คิดถึงต้นคอก็เมื่อยคอพูดถึงแขนก็เมื่อยแขนพูดถึงขาก็เมื่อยขาพูดถึงเข่าก็ปวดเขา่าพูดถึงหลังก็ปวดหลังโอ้ยพูดตรงไหนก็ปวดตรงนั้นไปหมดเลยทําไมมันเป็นขนาดนั้นเนาะอ้าวเพราะว่ารูปทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งทุกเพราะฉะนั้นผู้ใดเสวยสุ ข, ขเวทนาก็อย่าเผลอว่าเป็นสุขจริงๆเข้าหละ่ะเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ในที่สุดก็นํามาซึ่งความทุกข์ ถ้าเราตามเพลิดเพลินในเวทนาว่าเวทนาเป็นสุขเนี่ยเป็นสุขเนี่ยจบจบด้วยอะไรจบที่ไหนโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาถ้าตามเห็นทุกขเวเ อ, อเห็นเวทนาโดยความเป็นทุกข์ล่ะเป็นไปเพื่อล่วงโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์จะต้องมา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 เวทนาทุกเวทนาของเราเนี่ยควรเป็นที่ตั้งแห่งวิปปะหรือควรเป็นที่ตั้งแห่งเวทนานุปัสนาดีอ น, นะขอให้จริงอย่างที่พูดเธอขอให้จริงอย่างที่คิดเอาจริงอย่างที่พูดกับจริงอย่างที่คิดไม่เหมือนกันนะขอให้คิดอย่างที่พูดแปลว่าปุ๊บเจอตอนเวทนามันเกิดมันไม่ได้คิดอย่างงี้ง่ายๆหรอกปุ๊บเวทนาเนี่ยต้องไม่เผลอว่าเวทนาทุกเวทนาเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่ง ความทุกข์แล้วก็ตัวมันเองก็เป็นทุกข์ด้วยแต่วิปลาสบอกว่าสุขเมื่อก่อนไม่ทุกข์อย่างนี้ต่อไปน่าจะสุขนั้นเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะมันทิศนึกถึงหัวถึงท้ายเลยเมื่อก่อนมันสุขต่อไปจะต้องสุขอีกสิเนี่ยนะมันก็คิดอย่างเงี้ยคิดหัวคิดท้ายอยู่อย่างเงี้ยป้าจะะารนัยรับรองว่าใช่เลย <c oughs> นะเพรเวลาทุกข์ขึ้นมามันแหมเมื่อก่อนนะ่ะสบายต่อไปจะต้องสบายอีกแต่ตอนนี้รู้ว่าทุกข์แต่หวังว่าจะไม่ทุกข์เช่นนี้ ตลอดไปแต่ถึงไข่ครวนแบบนั้นอยู่บนพื้นฐานวิปลาสเสมอจะไม่อยู่บนพื้นฐานของเวทนานุปัสนาโอ้สุขเวทนานเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่ามันไม่เที่ยงก็เสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกเสิ่งใดเป็นทุกข์ควรหรือจะตามเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราแล้วทุกขเวทนานที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันไม่เที่ยงก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้เป็นทุกอย่างนี้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 ทุกเวทนาเห็นอุเบกขาเวทนามันน่าเบื่อแล้วก็เบื่อนายและคลายกำหนัดเคยตั้งใจไว้อย่างนั้นบ้างไหมแต่ถ้าตั้งไว้อย่างนั้นก็ดีนะต้องแบบคือคือมันต้องมีสามัญยสํานึกว่าเราจะต้องแบบเบื่อนายและคลายกำหนัดในเวทนาเหล่านี้จนได้ถ้าใครตั้งไว้แบบนั้นจริงก็เรียกตั้งไว้เพื่อเจริญเวทนานุปัสนาเห็นเวทนาสามมีค่าเท่ากันนะเห็นเวทนาทุกเวทนาว่ามีค่าเท่ากันในความไม่เที่ยงเป็นทุกและเป็น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 ก็ท่วมทับเนี่ยนะถ้าราคานุสัยเกิดนะมันไม่อยู่แค่ราคะเท่านั้นมันตามด้วยทิฐิและมานะนะมานานุสัยกับทิฏฐานุสัยถ้าอาวิชชาเกิดขึ้นมันหยุดอยู่แค่อวิชชาไหมตามด้วยวิจิกิจฉาแ ล, และอะไรตามด้วยวิจิกิจฉาและอุท ธ, ธะเออไม่ใช่ตามด้วยอวิชานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอ่ะใช่ก็จะตามด้วยอนุสัยทั้งหลาย พันถ้าหากว่าเจริญเวทนานุปัสนาเจริญทุกขานุปัสนาถูกต้องละปฏิคานุสัยถ้าเจริญสุขเจริญเวทนานุปัสนาในสุขเวทนาอย่างถูกต้องจะละราคานุสัยทิฏฐานุสัยและมานานุสัยได้ถ้าเจริญเวทนานุปัสนาในอุเบขาเวทนาอย่างถูกต้องจะละวิจิกิจฉานุสัยพร้อมทั้งอวิชานุสัยนะพันถ้าเจริญเวทนาพิจารณาสุขเวทนาโดย